สติเป็นเครื่องตื่นในโลกสติเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกเมื่อความสุขอยู่ไม่ไกลถ่าใจมีสติพุทธวัจนะ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 นความรู้สึก ล, ว ล, วล้วนๆกุศลหรือความดีเนี่ยก็เป็นธรรมะอากุศลหรือความชั่วร้ายก็คือธรรมะแต่กุศลเป็นธรรมะที่เราจะต้องเจริญอากุศลเป็นธรรมะที่ต้องละหรือสิ่งที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นกุศลอากุศลแน่ที่เราสัมผัสดได้เนี่ยมันก็คือธรรมะแต่นั้นเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยที่จะไม่ใช่ธรรมะโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยรามอมที่ตัวเราเลย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 อย่างพระกุณเจ้าถ้ากับฉันแค่สองมือธรรมะคือส่วนกายของท่านก็อยู่ได้บางคนนี่ยอาจจะฝึกขนาดทานมือเดียวพระกุณเจ้ากับฉันมือเดียวก็มีก็เป็นการฝึกฝืนการฝึกเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าให้เหมาะสมาหรับบุนคคลคนนั้นนี่ก็ส่วนร่างกายนะคือการฝึกกายก็เป็นการปฏิบัติธรมทางด้านร่างกายส่วนจิตใจก็เช่นเดียวกัน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 พอมีสติเนี่ยรักษาจิตรู้สึกตัวรู้อยู่รู้อยู่เห็นอยู่จิตก็เป็นปกติแม้ว่าความคิดจะคิดขึ้นมาก่อนอารมณ์จะมาปรุงแต่งก่อนถ้ามีสติรู้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็จะจอดจากไปโดยที่ไม่ต้องค้างคาอยู่ในจิตในใจนานๆบางคนที่ขาดสติไม่มีความรู้สึกตัวก็ทําให้ความคิดเหล่านั้นเนี่ย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 แล้วเวลาคิดในเวลาฟงเวลาปรุงแต่งเนี่ยเราไม่เคยให้ความสําคัญกับสติเลยเราไปสนใจในเรื่องความคิดการปรุงแต่งอยู่นั่นแหละอาการสนใจก็คือเข้าไปปรุงแต่งด้วยนยโดยการไปห้ามบ้างทําไมมันจึงคิดมากมันไม่น่าจะคิดเลยเราก็จะริ้สติบรรลัยแล้วมันทําไมคิดคือเราไปยุ่งกับความคิดแบบนั้นน่แล้วก็หมุดยิดเนี่ยเรื่องอดีตมันน่าจะผ่านไป